สังโคทกขินังปฏิคันหาตีติกถาว่าด้วยไม่ควรยอมรับว่าพระสงฆ์รับทักษิณาเทคร้อยเก้าสิบเอ็ดสกท่านไม่ยอมรับว่าพระสงฆ์รับทักษิณาได้ใช่ไหมปอรอใช่สกพระสงฆ์เป็นผู้ควรแกงของที่เขานํามาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแกงทักษิณาควรแกงการทําอัญเชลี เป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกใช่ไหมป ร, รใช่สกหากพระสงฆ์เป็นผู้ควรแฝของที่เขานํามาถวายควรแฝของต้อนรับควรแฝทักษินาควรแฝการทําอัญเชลีเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระสงฆ์รับทักษินาได้สกท่านไม่ยอมรับว่าพระสงฆ์รับทักษินาได้ใช่ไหมป ร, รใช่ สอก อ, อริยบุคลคลสี่คู่คือแปดบุคคลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นผู้ควรแก่ทักษินาไม่ใช่หรือป ร, รใช่สกหากอริยบุคลคลสี่คู่คือแปดบุคคลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นผู้ควรแก่ทักษินาดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระสงฆ์รับทักษินาได้สก ท่านไม่ยอมรับว่าพระสงฆ์รับทักษิณาได้ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลบางพวกที่ถวายทานแด่พระสงฆ์มีอยู่ไม่ใช่หรือปรใช่สกหากบุคคลบางพวกที่ถวายทานแด่พระสงฆ์มีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระสงฆ์รับทักษิณาได้สกบุคคลบางพวกที่ถวายจีวรบิณฑบาตเศนาสนะ คีลานปัจจัยเภศสารประการของเคี้ยวของบริโภคน้ำดื่มแด่พระสงฆ์มีอยู่ไม่ใช่หรือปอรอใช่สกหากบุคคลบางพวกที่ถวายน้ำดื่มแด่พระสงฆ์มีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระสงฆ์รับทักจินาได้สกท่านไม่ยอมรับว่าพระสงฆ์รับทักษินาได้ใช่ไหมปอรอใช่สก พระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพระสงฆ์พูดถึงพร้อมด้วยสมาธิย่อมรับทักษินาได้เหมือนไฟรับการบูชาเหมือนแผ่นดินรับน้ำฝนจากเมฆมีอยู่จริงมิใช่หรือปอรใช่ยสกอดังนั้นพระสงฆ์จึงรับทักษินาได้เจร้อยเก้าบสองปอรพระสงฆ์รับทักษินาได้ใช่ไหมสกอใช่ปอร มรับได้ผลก็รับได้ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นนวตัตตพังสังโคทกขินังปฏิตคันหาตีติกถาจบ7นวตัตตพังสังโคทกขินังวิสโวสเทตีติกถาว่าด้วยไม่ควรยอมรับว่าพระสงฆ์รรมทักษิณาให้หมดจดเจ็อ้อยก้าสกท่านไม่ยอมรับว่า พระสงฆ์ทำทักสินาให้หมดจดได้ใช่ไหมปรใช่สกพระสงฆ์เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานํามาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักสีนาควรแก่การทําอัญเชลีเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกไม่ใช่หรือปรใช่สกหากพระสงฆ์เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานํามาถวายเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่า พระสงฆ์ทำทักสินาให้หมดจดได้สกท่านไม่ยอมรับว่าพระสงฆ์ทำทักสินาให้หมดจดได้ใช่ไหมปรใช่สกอริยบุคคลสี่คู่คือแปดบุคคลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นผู้ควรแฝ่ทักสินาไม่ใช่หรือปรใช่สกหากอริยบุคคลสี่คู่คือแปดบุคคลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นผู้ควรแฝ่ทักสินา ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระสงฆ์ทําทักษิณาให้หมดจดได้สกท่านไม่ยอมรับว่าพระสงฆ์ทําทักษิณาให้หมดจดได้ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลบางพวกที่ถวายทานแด่พระสงฆ์แล้วให้ทักษิณาบริบูรณ์มีอยู่มิใช่หรือปรใช่สกหากบุคคลบางพวกที่ถวายทานแด่พระสงฆ์แล้วให้ทักษิณาบริบูรณ์มีอยู่ ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระสงฆ์ทำทักษณาให้หมดจดได้สกบุคคลบางพวกที่ถวายจีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬาปัจจัยเทศบ ร, ริขารของเคี้ยวของบริโภคน้ําดื่มแด่พระสงฆ์แล้วให้ทักษณาบริบูรณ์มีอยู่ใช่ไหมปอรอใช่สกหากบุคคลบางพวกที่ถวายน้ําดื่มแด่พระสงฆ์แล้วให้ทักษณาบริบูรณ์มีอยู่ ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระสงฆ์ทำทักษินาให้หมดจดได้เจ็ร้อยเก้าสสปรพระสงฆ์ทำทักษินาให้หมดจดได้ใช่ไหมสกใช่ปรมักทำทักษีนาให้หมดจดได้ผลก็ทำทักษีนาให้หมดจดได้ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นนวัตตพังสังโคทักขิ น, นังวิโสเทตีติตกะถะทาจบ 8. นวตับพังสังโฆพุญชตีติกระถาว่าด้วยไม่ควรยอมรับว่าพระสงฆ์ฉันได้เจ5้อก้าสห้ากท่านไม่ยอมรับว่าพระสงฆ์ฉันดื่มเคี้ยวลิ้มได้ใช่ไหมปอรอใช่สกบุคคลบางพวกที่ทำสังข พ, พัฒอุเทสพัฒยาคูและน้ำปานะมีอยู่ไม่ใช่หรือปอรอใช่ สกหาบุคคลบางพวกที่ทําสังขพัทธอุเทสพัทยาคูและน้ําปานะมีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระสงฆ์ฉันดื่มเคี้ยวลิ้มได้สกท่านไม่ยอมรับว่าพระสงฆ์ฉันดื่มเคี้ยวลิ้มได้ใช่ไหมปรใช่สกคณะโภชนะปรามประโปรโภชนะอติริตโภชนะอันติริตโภชนะ พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วไม่ใช่หรือปอรอใช่สกหาพระณโภชนะปรัมประโภชนะอติริตะโภชนะอนติริตะโภชนะพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระสงฆ์ฉันดื่มเคี้ยวลิ้มได้สกท่านไม่ยอมรับว่าพระสงฆ์ฉันดื่มเคี้ยวลิ้มได้ใช่ไหมปอรอใช่ สกน้ำปาณะพระผู้มีประภาคตรัดไว้8ปดอย่างคือน้ำมะม่วงน้ำลูกว่าน้ำกล้วยมีเมล็ดน้ำกล้วยไม่มีเมล็ดน้ำมะสางน้ำลูกจันน้ำเงาบัวน้ำมะปรางมิใช่หรือปอรใช่สกหากน้ำปาณะพระผู้มีประภาคตรัดไว้8ปดอย่างคือน้ำมะม่วงน้ำลูกว่าน้ำกล้วยมีเมล็ดน้ำกล้วยไม่มีเมล็ด น้ำมะซางน้ำลูกจันน้ำเง่าบัวน้ำมะปรางดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระสงฆ์ฉันดื่มเคี้ยวลิ้มได้เจ็ดร้อยเก้าสิหกปรพระสงฆ์ฉันดื่มเคี้ยวลิ้มได้ใช่ไหมสกใช่ปรมักฉันดื่มเคี้ยวลิ้มได้ผลก็ฉันดื่มเคี้ยวลิ้มได้ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้น นวตัตตาพังสังโฆพุญชตีติกถาจบ๙นวตัตตาพังสังขสะทินนังมหาพัลันติกถาว่าด้วยไม่ควรยอมรับว่าทานที่ถวายแด่พระสงฆ์มีผลมากเจ็ร้อยเก้าสเจดสกท่านไม่ยอมรับว่าทานที่ถวายแด่พระสงฆ์มีผลมากใช่ไหมปรใช่สก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 ท่านไม่ยอมรับว่าทานที่ถวายแด่พระสงฆ์มีผลมากใช่ไหมป ร, รใช่สอกอาริยบุคคลสี่คู่คือแปดบุคคลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นผู้ควรแก่ทักษิณาไม่ใช่หรือป ร, รใช่สอกอหากอริยบุคคลสี่คู่คือแปดบุคคลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นผู้ควรแก่ทักษิณาดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่า ทานที่ถวายแด่พระสงฆ์มีผลมากเจ็ดร้อยเก้าสิบปดปรท่านไม่ยอมรับว่าทานที่ถวายแด่พระสงฆ์มีผลมากใช่ไหมปรใช่สกพระสู่ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าโคตมีพระนางจงถวายสงเถิดเมื่อพระนางถวายสง์แล้วจากชื่อว่าเป็นผู้ได้บูชาอัตรมภาพและสง์มีอยู่จริงไม่ใช่หรือ ปอรอใช่สกดังนั้นทานที่ถวายแด่พระสงฆ์จึงมีผลมากสกท่านไม่ยอมรับว่าทานที่ถวายแด่พระสงฆ์มีผลมากใช่ไหมปอรอใช่สกท้าวศักกะจอมเทพเรียกกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าเมื่อมนุษย์ทั้งหลายผู้เป็นสัตว์ปรารถนาบุญบูชาอยู่ทำบุญซึ่งให้เกิดผล ทานให้แล้วในที่ไหนมีผลมากพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าท่านผู้ปฏิบัติดีสีจ่จำพวกท่านผู้ตั้งอยู่ในผลสีจ่จำพวกนั่นคือพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติตรงตั้งมั่นอยู่ในศีลสมาธิและปัญญาเมื่อมนุษย์ทั้งหลายผู้เป็นสัตว์ปรารถนาบุญบูชาอยู่ทำบุญซึ่งให้เกิดผลทานให้แล้วในพระสงฆ์มีผลมากด้วยว่า พระสงฆ์นี้มีคุณยิ่งใหญ่ไพยบู์หาประมาณมิได้ดุทะเลเปี่ยมด้วยน้ำพระอริยบุคคลเหล่านี้แหลเป็นผู้ประเสริฐสุดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีความเพียรเป็นผู้ให้แสงสว่างคือปัญญากแก่ชาวโลกย่อมยกทมขึ้นแสดงทานที่บุคคลถวายเจาะจงสงนั้นชื่อว่าเป็นทานถวายดีแล้วบูชาสักการะอย่างดีแล้วทักษิณาที่ถวายสงนั้นมีผลมาก ทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ทรงรู้แจ้งโลกก็ทรงสรรเสริญแล้วเราชนมาหวนระลึกถึงบุญเช่นนี้ได้เกิดปิติและสมนัสกำจัดมนทินเกือความตรณีพร้อมทั้งมมลได้ท่องเที่ยวไปในโลกไม่ถูกบัณฑิตเตียนจึงเข้าถึงแดนสวรรค์ได้มีอยู่จริงมิใช่หรือปอรอใช่สกดังนั้นทานที่ถวายแด่พระสงฆ์จึงมีผลมาก นวตัตพังสังคสะทินนางมหาพลันติกะถาจบสิบเนวตพังพุทธะถินนางมหาพลันติกะถาว่าด้วยไม่ควรยอมรับว่าทานที่ถวายแด่พระพุทธเจ้ามีผลมากเจร้อยเก้สกอท่านไม่ยอมรับว่าทานที่ถวายแด่พระพุทธเจ้ามีผลมากใช่ไหมปอรอใช่สอกอ พระผู้มีพระภาคเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐสุดเป็นประธานเป็นผู้อุดมเป็นผู้ล้ำเลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหาผู้เสมอมิได้เสมอกับบุคคลผู้หาผู้เสมอมิได้ไม่มีใครเปรียบเทียบไม่มีผู้ทากิจเปรียบเทียบหาบุคคลเปรียบเทียมมิได้ใช่ไหมปรใช่สกหากพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐสุด เป็นประธานเป็นผู้อุดมเป็นผู้ล้ำเลิศ ก, กว่าเทวดาและมือนมินทั้งหลายหาผู้เสมอมิได้เสมอกับบุคคลผู้หาผู้เสมอมิได้ไม่มีใครเปรียบเทียบไม่มีผู้ทําขีดเปรียบเทียบหาบุคคลเปรียบเทียมิได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าทานที่ถวายแด่พระพุทธเจ้ามีผลมากสกท่านไม่ยอมรับว่าทานที่ถวายแด่พระพุทธเจ้ามีผลมากใช่ไหม ปรใช่สกใครๆที่เสมอเหมือนพระพุทธเจ้าโดยศีลสมาธิปัญญามีอยู่ใช่ไหมปรไม่มีสกหากใครๆผู้เสมอเหมือนพระพุทธเจ้าโดยศีลสมาธิปัญญาไม่มีดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าทานที่ถวายแด่พระพุทธเจ้ามีผลมากสกท่านไม่ยอมรับว่าทานที่ถวายแด่พระพุทธเจ้ามีผลมากใช่ไหม ปรใช่สกพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าไม่ว่าในโลกนี้หรือในโลกอื่นก็ตามไม่มีผู้ที่จะประเสริฐกว่าหรือจะทัดเทียมพระพุทธเจ้าผู้ถึงความเป็นยอดแห่งอาหุนนิยบุคคลของเหล่าชนผู้มีความต้องการบุญผู้สแสวงหาผลภัยบุญมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปอรอใช่สกดังนั้น ทานที่ถวายแด่พระพุทธเจ้าจึงมีผลมากนวตัตพังพุทธะทินนังมหาพลันติกถาจบ11ทักษินาวิสุทธิกถาว่าด้วยทักษินาบริสุทธิ์800สกอทานบริสุทธิ์ฝ่ายทา ย, ยกผู้ให้เท่านั้นแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกผู้รับใช่ไหมปรอใช่สกอ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 ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าทานบริสุทธิ์ฝ่ายทายกเท่านั้นแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกสกทานบริสุทธิ์ฝ่ายทายกเท่านั้นแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกใช่ไหมปรใช่สอก อ, อริยบุคคลสี่คู่คือแปดบุคคลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นผู้ควรแก่ทักษิณามิใช่หรือปรใช่สก หากอริยบุคคลสี่คู่คือแดบุคคลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นผู้ควรแก่ทักษินาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าทานบริสุทธิ์ฝ่ายทายกเท่านั้นแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกสกทานบริสุทธิ์ฝ่ายทายกเท่านั้นแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกใช่ไหมป ร, รใช่สกบุคคลบางพวกให้ทานแก่พระโสดาบันแล้ว ให้ทักษิณาบริบูรณ์มีอยู่ไม่ใช่หรือป ร, รใช่สกหากบุคคลบางพวกให้ทานแก่พระโสดาบันแล้วให้ทักษิณาบริบูรณ์มีอยู่ท่านก็มีควรยอมรับว่าทานบริสุทธิ์ฝ่ายทายกเท่านั้นแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกสกบุคคลบางพวกให้ทานแด่พระสกะทาคามีพระอนาคามีพระอรหันแล้วให้ทักษิณาบริบูรณ์มีอยู่ไม่ใช่หรือ ปรใช่สกหากบุคคลบางพวกให้ทานแ ด, ด่พระอาหารหันต์แล้วให้ทักษณาบริบูรณ์มีอยู่ทแท้ก็ไม่ควรยอมรับว่าทานบริสุทธิ์ฝ่ายทายกเท่านั้นแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกแปด้อยหนึ่งปรทานบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกเท่านั้นเพราะเหตุนั้นจึงไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกใช่ไหมสกใช่ปร บุคคลอื่นทำให้แก่คนหนึ่งสุขทุกมีผู้อื่นเป็นตัวการบุคคลคนละคนกันทั้งธรรมและสวยผลใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกทานบริสุทธิ์ฝ่ายทา ย, ยกเท่านั้นแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกใช่ไหมปอรอใช่สกพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าอานนท์ความบริสุทธิ์แห่งทักษิณาสีประการนี้ ความบริสุทธิ์แห่งทักษิณาสีประการอะไรบ้างคือ 1- ทักษิณาทีท่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก 2- ทักษ ant, ิณาที่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายก 3- ทักษิณาที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหก 4- ทักษิณาที่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหกทักษิณาที่บริสุทธิ์ฝ่ายทายก แต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกเป็นอย่างไรคือทายกในโลกนี้เป็นผู้มีศีลมีกาลยานธรรมแต่ปฏิฆาหกเป็นผู้ทุศีลมีรำเลสามทักษิณาที่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกเป็นอย่างนี้ทักษิณาที่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกเป็นอย่างไรคือทายกในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลมีทำเลสาม แต่ปฏิคาหกเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมทักษิณาที่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกเป็นอย่างนี้ทักษิณาที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหกเป็นอย่างไรคือทายกในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลมีธรรมเลวซามและปฏิคาหกก็เป็นผู้ทุศีลมีธรรมเลวซามทักษิณาที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหกเป็นอย่างนี้ ทักษิณาที่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหกเป็นอย่างไรเือทายกในโลกนี้เป็นผู้มีศีมีกลยานธรรมและปฏิคาหกก็เป็นผู้มีศีมีกลยานธรรมทักษินาที่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหกเป็นอย่างนี้อานนท์ความบริสุทธิ์แห่งทักษิณาสี่ประการนี้มีอยู่จริงมิใช่หรือปอรอใช่สกดังนั้น ท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าทานบริสุทธิ์ฝ่ายทายกเท่านั้นแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกถ้าขิ น, นาวิสุทธิกถาจบสัตตะรสมมวัคจบรวมกถาที่มีในวรนี้คือหนึ่งอัติอรหะโตปุญญปั จ, จโยติกถาสองนัติอรหะโตอาการะมั จ, จูติกถาสสัพพมิทังกรรมโตติกถา สอินทริยพัทธกถา 5. ้าทเปตวาอริยมัคคันติกกถา 6. นวัตตพังสังโฆทกขินังปฏิคันหาตีติกกถา 7. นวัตตพังสังโฆทกขินังวิโสเทตีติกกถา 8. นวัตตพังสังโฆพุญชตีติกกถา 9. นวัตตพังสังขสะธนังมหัพพลันติกะถาสิบ นวตตะพังพุทธะทินนางมหพลันเตกรถาสิบเอ็ดทักษินาวิสุทธิกรถาสิบแปดอัธารสมวัคหนึ่งมนุษยโลกะกถาว่าด้วยมนุษยโลก 802. สองกอท่านไม่ยอมรับว่าพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงดำรงอยู่ในมนุษย์โลกใช่ไหมปรใช่สกเจดีอารามวิหารคามนิคมนครรัฐชนบทที่พระพุทธเจ้าเคยประทับอยู่มีอยู่ไม่ใช่หรือปรใช่สกหากเจดีอารามวิหารคามนิคมรัฐชนบท ที่พระพุทธเจ้าเคยประทับอยู่มีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงดำรงอยู่ในมนุษย์โลกสกท่านไม่ยอมรับว่าพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงดำรงอยู่ในมนุษย์โลกใช่ไหมปรใช่สกพระผู้มีพระภาคประสูปปตรสริที่ป่าลุมพินีตรัสรู้ที่ขวงไมโพประกาศ ธ, ธรรมจากที่กรุงพาราณสี รงอายุสังขารที่ปาวารเจดีปรินิพานที่กรุงกุสินารามิ่ใช่หรือปรอใช่สอกอหากพระผู้มีราา พ, พระภาคประสูติที่ป่าลุมพินีปราาินิ NO าพานที่กรุงกุสินาราดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงดำรงอยู่ในมนุษย์โลกสอกอท่านไม่ยอมรับว่าพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงดำรงอยู่ในมนุษย์โลกใช่ไหม ปอรอใช่สกพระสูตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสมัยหนึ่งเราพักอยู่ณควงไม้สาละในสุภกวันเขตรุงอุ ก, กัตทะว่าภิกษุทั้งหลายสมัยหนึ่งเราแรากต ร, รัสรู้พักอยู่ที่ต้นอาชปารนิโครธตำบลอุรุเวลาว่าภิกษุทั้งหลายสมัยหนึ่ง เราพักอยู่ณเวลุวันสถานที่ให้เยื่กระแตเขตกรงราชครื้ว่าภิกษุทั้งหลายสมัยหนึ่งเราพักอยู่ณเชตวันอารามของอนาถเบนิกะเศรษฐีเขตกรงสาวัตถีว่าภิกษุทั้งหลายสมัยหนึ่งเราพักอยู่ณกูตาคารสาลาป่ามหาวันเขตกรงเวสาลีนี่อยู่จริงมิใช่หรือปอรอใช่สกดังนั้น พระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าจึงทรงดำรงอยู่ในมนุษย์โลกปร้อยสามปรพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงดำรงอยู่ในมนุษย์โลกใช่ไหมสกใช่ปรพระผู้มีพระภาคทรงกำเนิดในโลกทรงเจริญในโลกแต่ทรงเป็นผู้อันโลกไม่แปดเปื้อนครอบงำโลกอยู่มิใช่หรือสอกอใช่ปร หากพระผู้มีพระภาคทรงกําเนิดในโลกทรงเจริญในโลกแต่ทรงเป็นผู้อันโลกไม่แปดเปื้อนครอบงำโลกอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงดำรงอยู่ในมนุษย์โลกมนุษยโลกกระถาจบ 2. ธรรมเทศนากถาว่าด้วยการแสดงธรรมแปด้อยสี่สกท่านไม่ยอมรับว่า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 สกท่านไม่ยอมรับว่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมใช่ไหมปรใช่สกใครแสดงปรท่านพระอานนท์สกท่านพระอานนท์เป็นพระชินเจ้าเป็นพระศาสดาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระสัพพัญยูเป็นพระสัพพัทษาวีเป็นพระธรรมสามีเป็นพระธรรมปฏิสรณะใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นแป้อยหสกท่านไม่ยอมรับว่าพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงแสดงธรรมใช่ไหมปรใช่ ส, สกพระสู่ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าสารีบุตรเราแสดงธรรมโดยย่อก็ได้เราแสดงธรรมโดยพิสดารก็ได้เราแสดงธรรม ท, ทั้งโดยย่ อ, อและโดยพิสดารก็ได้แต่บุคคลผู้รู้ทั่วถึงหาได้ยาก มีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรใช่สกดังนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมแปด้อยหกสกท่านไม่ยอมรับว่าพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงแสดงธรรมใช่ไหมปรใช่สกพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคต ร, รัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรารู้ยิ่งแล้วจึงแสดงธรรมไม่รู้ยิ่งแล้วไม่แสดงธรรม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 ก็แลเธอทั้งหลายควรที่จะยินดีควรที่จะชื่นชมควรที่จะสมมนัดว่าพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบพระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติ ด, ดีแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเวยากรนะภาษิดนี้อยู่โลกธาตุไม่หมื่นจักรวาลได้วันไวสั่นสะเทือนแล้วมีอยู่จริงมิใช่หรือ ปรใช่สกดังนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมธรรมเทศนากถาจบสกรุณากถาว่าด้วยกรุณาแปด้เจ็ดสกกรุณาของพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าไม่มีใช่ไหมปรใช่สกเมตตาของพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าไม่มีใช่ไหม ปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกรุณาของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าไม่มีใช่ไหมปอรใช่สกมุทิตาอุเบกขาของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าไม่มีใช่ไหมปอรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเมตตาของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้ามีอยู่ใช่ไหมปอรรใช่สก กรุณาของพระผู้ม nice> ีพระภาคพุทธเจ้ามีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกมุทิตาอุเบกขาของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้ามีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกกรุณาของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้ามีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกรุณาของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าไม่มีใช่ไหมปรใช่ สกพระผู้ม <convert to life> ีพระภาคไม่ใช่ผู้ประกอบด้วยกรุณาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระผู้มีพระภาคทรงประกอบด้วยกรุณาทรงเกื้อกูลชาวโลกทรงอนุเคราะห์ชาวโลกทรงประพฤติประโยชน์แก่ชาวโลกไม่ใช่หรือปรใช่สกหากพระผู้มีพระภาคทรงประกอบด้วยคารุณาทรงเกื้อกูลชาวโลกทรงอนุเคราะห์ชาวโลก ทรงประพฤติประโยชน์แก่ชาวโลกท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ากรุณาของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าไม่มีสกกรุณาของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าไม่มีใช่ไหมปรใช่สกพระผู้มีพระภาคทรงเข้ามหากรุณาสมาบัติไม่ใช่หรือปรใช่สกหากพระผู้มีพระภาคทรงเข้ามหากรุณาสมาบัติท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า รรพพรกรุณาของพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าไม่มีแปดร้อยแปดปรปุณาของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้ามีอยู่ใช่ไหมสกใช่ปรพระผู้มีพระภาคยังทรงมีราคะใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรดังนั้นกรุณาของพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าจึงไม่มีกรุณาคาถาจบสี่ คันธชาติยกถาว่าด้วยคันทชาแปดร้เก้าสกพระบางคนหนักพระบางคนเบาของพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าหอมกว่าคันทชาติอื่นๆใช่ไหมปรใช่สกพระผู้มีพระภาคทรงใช้ของหอมใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระผู้มีพระภาคสวยเข้าสุขและขนมกลุ่มมากไม่ใช่หรือ ปรใช่สกหากพระผู้มีพระภาคสวยเข้าสุขและขนมกลุ่มมากท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระบางคนหนักพระบางคนเบาของพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจา้าหอมกว่าคันธชาติ อ, อื่นๆสกพระบางคนหนักพ ร, น اء, พระบางคนเบาของพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าหอมกว่าคันธชาติอื่นๆใช่ไหมปรใช่สกบุคคลบางผู้ที่อาบทา หลายถาพระบางคนหนักพระบางคนเบาของพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าเก็บไว้ในหีบบรรจุไว้ในพ อ, อบแพร่ขายที่ตลาดและใช้ของหอมนั้นแทนของหอมมีอยู่ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นคันทชาติกถาจบห้าเอกรมคระกถาว่าด้วยทางสายเดียวแปดร้อยสิบสอกอ พระผู้มีพระภาคทรงทําให้แจ้งสามัญพันธสีได้ด้วยอเรียมักมักเดียวใช่ไหมปรใช่สกมีการประชุมแห่งพัรษาสี่ปัญญาสีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระผู้มีพระภาคทรงทำให้แจ้งสามัญพันธสีได้ด้วยอเรียมักมักเดียวใช่ไหมปรใช JENN ่สกด้วยโสดาปฏิมักใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สก ด, ด, ด้วยสกทาคามิมักอนาคามิมักใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกด้วยมักไหนปรด้วยอรหัตมักสกพระผู้มีพระภาคทรงละสกายติฐิวิจิกิจชาศีละปตะปรามาได้ด้วยอรหัตมักใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกทรงละสกายทิฐิว ist, ิ Lastly, จิกิจชา สลลพตะปรามาตได้ด้วยอรหัตมักใช่ไหมปรใช่ ส, สกการละสังโยษสานประการได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นโสดาปฏิผลมิใช่หรือปรใช่ ส, สกหากการละสังโยษสานประการได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นโสดาปฏิผลท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระผู้มีพระภาคละจักรยทิฐิวิจิกิจฉา สลลพตะปรามาตได้ด้วยอรหัตมักสกพระผู้มีพระภาคทรงละกามราคะอย่างหยาบพยาบาทอย่างหยาบได้ด้วยอรหัตมักใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกทรงละกามราคะอย่างหยาบพยาบาทอย่างหยาบได้ด้วยอรหัตมักใช่ไหมปรใช่สกความเบาบางแห่งกามราคะและพยาบาทพระผู้มีพระภาคตรัสว่า เป็นสกะทาคามิผลมิใช่หรือป ร, รใช่สกหากความเบาบางแห่งกรรมราคะและพยาบาทพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นสกะทาคามิผลท่านก็มีควรยอมรับว่าพระผู้มีพระภาคทรงละกามราคะอย่างหยาบพยาบาทอย่างหยาบได้ด้วยอรหัตมักสกพระผู้มีพระภาคทรงละกรมราคะอย่างละเอียด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 หากการละกามราคะและพยาบาทได้เด็ดขาดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอนาคามิผลท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระผู้มีพระภาคทรงละกามราคะอย่างละเอียดพยาบาทอย่างละเอียดได้ด้วยอรหันตมรรคแปดร้อยสิบเอ็ดปรท่านไม่ยอมรับว่าพระผู้มีพระภาคทรงทําให้แจ้งสามัญผลสีได้ด้วยอริยมรรคมรรคเดียวใช่ไหมสอกอใช่ปร พระผู้มีพระภาคเจริญโสดาปิมัติแล้วใช่ไหมสกใช่ปรพระผู้มีพระภาคเป็นพระโสดาบันใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั mean, ้นปรพระผู้มีพระภาคเจริญสกทาคามิมักิอนาคามิมักิแล้วใช่ไหมสกใช่ปรพระผู้มีพระภาคเป็นพระอนาคามีใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้น แปดร้อยสิบสองสกพระผู้มีพระภาคทรงทําให้แจ้งสามัญผลสีได้ด้วยอริยมรรคเดียวแต่พระสาวกทั้งหลายทําให้แจ้งสามัญผลสีได้ด้วยอริยมรรคสี่ใช่ไหมป ร, รใช่สกพระสาวกทั้งหลายเห็นธรรมที่พระองค์ไม่ทรงเห็นบรรลุธรรมที่พระองค์ไม่ทรงบรรลุทําให้แจ้งธรรมที่พระองค์ไม่ทรงทําให้แจ้งใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น เอคามาคคัตถะจบ